เป็นข้อความในโทสะสูตรว่าจริงอยู่พระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแล้วพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นพระอรหันตรัสแล้วเพราะเหตุนั้นข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุไม่รู้ยิ่งไม่กําหนดรู้โทสะไม่ยังจิตให้คลายกําหนัดในโทสะนั้นยังละโทสะนั้นไม่ได้เด็ดขาดเป็นผู้ไม่ควรเพื่อความสิ้นทุกข์ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ส่วนภิกษุรู้ยิ่งกําหนดรู้โทสะยังจิตให้คลายกําหนัดในโทสะนั้นละโทสะนั้นได้เด็ดขาดเป็นผู้ควรเพื่อความสิ้นทุกข์พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสเนื้อความนี้แล้วในพระสูตรนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสคาถาประพันธ์ดังนี้ว่าชนผู้เห็นแจ้งทั้งหลายรู้ชัดด้วยดีซึ่งโทสะอันเป็นเหตุให้สัตว์ผู้ประทุสลาย ไปสู่ทุกขติแล้วละได้ครันละได้แล้วย่อมไม่มาสู่โลกนี้อีกในการไหนๆ น, นะครับคิดดูนะบางแห่งเนี่ยแสดงนิวรณ์ขึ้นมาเต็มชุดเลยนะบางแห่งเนี่ยแยกนิวรมาแสดงทีละอย่างทีละอย่างนะตามเทศนวิราชเนี่ยนะเช่นยกกามฉันทานิวรณ์มาในชื่อว่าโลภะบ้างนะครับยกพยาปาทานิวร์มาในนามโกธะบ้างมัคขะบ้างโทสะบ้างเนี่ยนะครับ ตามแต่อัธยาศัยของผู้ฟังนะครับแต่ว่าสรุปโดยเนื้อหาแล้วก็ไม่ต่างจากโกธาสูตรไม่ต่างจากมัคคะสูตรเป็นต้นที่เคยกล่าวมาแล้วเพราะฉะนั้นในอัตกถาก็อธิบายว่าพึงเห็นว่าพระสูตรเหล่านั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงแก่ผู้รู้โดยเทศนาวิราชนะครับหมายค่ะว่าถ้าใช้คำพลิกแปลงแล้วเขาเข้าใจนะครับ นะพระ อ, องค์นี้ไม่ได้ไม่ไม่ซ้ำซากจําเจนะครับแต่ถ้าซ้ำซากจําเจแล้วเขาได้ผลพระ อ, องค์ก็ตรัสแบบนั้นแต่ถ้าจะพลิกแพลงบ้างแล้วได้ผลพระ อ, องค์ก็พลิกแพลงตามสมควรนะครับเหมือนกับว่าหมอที่ฉลาดก็จะยักย้ายยาตามสมควรแก่ไขนะครับกําเริบมากควรเพิ่มยาหรือควรลดยาเป็นต้นนะนะหมอก็จะรู้ดีนะครับชั้นใด พระพุทธมีประภาคทรงฉลาดในอัธยาสายของเวณยยศัตว์สัตว์คนนี้ธาตุหนักนะครับโทสะหนักไปหน่อยโลภะหนักโมหะหนักเนคขมะหนักหรือว่าพยาบาทหนักเป็นต้นเนี่ยนะธาตุแต่ละอย่างแต่ละอย่างที่หนักหรือว่าอินทรีย์ในช่วงนั้นเนี่ยนะครับสัตว์ทินทรียมีกําลังไหมวิริยทรีย์มีกําลังไหมสตินทรียมีกําลังไหมสมาทรียมีกําลังไหมปัญญทรีย์มีกําลังไหมพระองค์ก็ใช้พระธรรมคําสอนหรือเทศนาของพระองค์เนี่ยนะครับ ปรับแต่งอินซีอย่าลืมว่าอนุภาพของเสียงเนี่ยครับทำไมจึงมีบทบาทมีผลขนาดนั้นครับจึงแต่งอัธยาศัยของผู้ฟังได้ทำไมครับเคยคิดไหมอนุภาพของเสียงสูงๆตา่ตาๆเนี่ยแต่งสภาพจิตได้ที่แต่งได้เนี่ยนะครับเนื่องจากเสียงนี่มีจิตเป็นสมุธฐานถ้าเสียงที่ประกอบด้วยศรัทธามีศรัทธาเป็นสมุธฐานเนี่ยนะครับศรัทธาที่เปล่งมาเป็นเสียงเนี่ยนะครับ ก็จะทำให้ผู้ฟังเนี่ยก็จะเกิดศรัทธาตามอนุภาพของจิตที่มีศรัทธาเนี่ยเป่งออกไปผู้ฟังก็เสพศรัทธาด้วย น, นะถ้าหากว่าเราฟังถ้อยคำที่มีความเพียนเป็นสมุทฐานนะครับมีวิริยะเป็นสมุทฐานทำให้จิตใจฮึกเหิมกล้าหารเนี่ยนะครับถ้าหากว่าถ้อยคาที่หูมีปัญญาเป็นสมุทฐานเนี่ยนะครับ ก็พลอยมีปัญญาไปกับเขาด้วยทําให้มีสติยิ่งปัญญาสู ง, งนะหรือหากว่าถ้อยคําบางคำเนี่ยนะครับโดยเฉพาะสายกิเลสเนี่ยนะโลภะเป็นสมุทฐานคนที่ฟังก็พลอยโลภะไปด้วยนะครับหรือว่าหากว่าจิตที่เป็นไปกับมานะเป็นสมุทฐานดูถูกดูหมินนะมานะคนอื่นก็จะกําเริบด้วยเหมือนกันนะครับหรือว่าถ้าโทสะเป็นสมุทฐานคนฟังก็จะโทสะไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้น โทสะนี้หรือจิตทั้งหลายนี่นะครับเป็นเป็นตัวเหตุที่สำคัญแล้วสื่อสมุธฐานออกมาทางเสียงนะสื่อออกมาทางเสียงโสตวิญญาณเป็นต้นที่ได้รับก็มันสื่อกันได้นะครับมันถึงกันได้นะเรียกว่าจากใจถึงใจอย่างนั้นแตเพราะฉะนั้นการส่องเสพคนที่เข้าไปเกี่ยวข้องจึงมีอิทธิพลมากถ้าเราส่องเสพคนที่มีศรัทธามากทให้ศรัทธาเรามีกาลังมากขึ้นมากขึ้น เสพคนที่มีความเพียนมากก็จะมีความเพียนมากนะครับเสพคนที่เหลาะแหละเราก็จะพลอยเป็นไปด้วยเหมือนกันเสพคนที่จริงจังก็จะมีความจริงจังเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับมงคลสูตรนี้จึงขึ้นอันดับแรกเลยนะครับถ้าวินิจใช้ผิดถูกตรงนี้ไม่ได้ตั้งแต่ต้นเจริญในมงคลที่เหลือไม่ได้นะครับจะเจริญมงคลข้อท้ายๆหลังจากนั้นไปไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องเกี่ยวกับการซ่องเสพ บ, บุคคล น, นี้มีความสําคัญจริงๆ โดยเฉพาะวันนี้เนี่ยนะครับเท่าที่ฟังโยมเขากล่าวเนี่ยนะครับเนื่องจากเขาไปซ่องเสพแต่คนลักษณ ะ, ะที่ไม่ฝักใฝ่ายในทางนี้นะครับเวลาเขาฟังธรรมเขาก็จะนึกถึงแต่คนที่ไม่ฝักใฝ่ายจะหาถ้อยคําต่างๆมาแก้ตัวมากล่าวถึงคนที่ไม่ฝักฝ่ถามว่าทําไมเขาจึงพูดจึงกล่าวเช่นนั้นเพราะเขาซ่องเสพ บ, บุคคลเหล่านั้นมากเขาไม่เคยซ่องเสพว่าพระไตรปิฎกเป็นยังไงเนื้อหาในคำพีนี่เป็นยังไงเขาก็จะเอาเหตุผลแบบที่เขาเคยซ่องเสพมา ะะนนัันอิทธิพลการซ่องเสพนิ้วเดวสูตรข้างหน้าจะกล่าวถึงความสำคัญของการคบมิดนะครับ